เราเที่ยวด้วยกันนอกจากเป็นเม็ดเป็นเพื่อนร่วมอยู่ร่วมสุขร่วม เรเราก็ได้ทําสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราได้ยิน <c oughs> การบันดาลการกระทำแม้ว่าเราจะฟังมันก็ อ่าลูกแบบมันก็ไม่อาวิธีอื่นๆแล้วก็อย่างหมู่ <c oughs> เผยให้ให้ยึกเดียวเต็ม มิตรอย่าทําให้เป็นกริดุอย่าทําให้เป็นสุขอย่าทําให้ตัวเองหลงอย่า มันก็อย่างไม่มีมิตรแท้ยังหลุดยัง <c oughs> และเปิดเผยไม่ใช่ 6 กิถ้าสุขก็โอ้ปล่อยใจถ้า บุรุษภาวะที่ประสบการณ์นี้แต่บทเรียนแต่พุทธะพือไปอะอะไรก็ตามเป็นบทเรียนทั้งนั้นความผิดก็เป็นบทเรียนความถูกก็เป็นบทเรียนความทุกข์ก็เป็นบทเรียนความสุขก็เป็นบทเรียนอือไม่ใช่หรอกบางทีบางคน เนี่ยพึงได้เสียหายตรงไหนถ้าสุขก็ชอบถ้าทุกข์ก็ไม่ชอบมันไม่ เรียกให้ปฏิบัติกลับลัดซ้ําๆปฏิบัติแบบ ประทุกไม่ใช่รถถ้าเห็นมันโศกแค่มันทุกข์อ่ะรถน่ะรถประธรรมรถประธรรมอยู่ แป๊บเดียวลูดไปเลยลูดไปเลยอ่าบวดลูดไปเลยอันเหมือนมันมันย่นเวลา นั่นแหละขึ้นรถกำลังข้างดิน เออเป็นเรื่องอ่าเปื้อกๆนะดังที่หลวงพ่อ การปฏิบัติธรรมอย่าให้มันรู้ว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรม บางโลเกตพออยู่ทุกข์กับวิปโยคของอุบาสกแล้วหนึ่งเป็นของอุบาสิกากับบ้านของอาจารย์อีกหลังหนึ่งที่พ่อเพิ่งไปกล่าว ไปไม่รู้นานๆตลอดนั่งรอเปิดประตูก็ค่อย นั่นเลยย่อมย่อมหลับไว้นั่งหลับตาไม่ดูหน้ากันพูดกันพูดหลับตาคุย <c oughs> ถ้าถ้าอย่างลดได้ฮะไม่ใช่อ่ะถ้าลดวิ่งมาได้จะโลบลดใช่หรอกเออก็งงเลยมาต้อง อย่าให้คนรู้จักว่าเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเปิดอบรมต้องตีสัญญาต้องตีรับฟังต้องทําอย่างนั้นต้องทําได้รูปแบบเอา เมื่อเมื่อก็ตาพระ 7-8 คันเข้ามาวัดพระแล้วก็บอกว่าขึ้นนั่นไอ้ดา พระภิกษุท่านนั้นเลขาขนาดสุดต้องเอาหน้าท่านทีจับนาคมา ใครเกิด พ.ศ. ไหนใครเกิด พ.ศ. อะไรคนที่เกิดก่อนที่เกิดปัจจุบันก็เขียนที่ไป นี่ถึงจะเป็นหน้าที่เป็นความรู้ของเราเป็นคุณธรรม เพื่อเราจะได้จัดการกับตัวเราให้อยู่ในความชอบอยู่ตลอดเวลาก็ได้จับการกับตัวเราให้อยู่ใน มันก็ขอเป็นมีวิชามวยนักมวยนักกีฬาเป็นดําพอเขาก็พอตัวมีคนขึ้นเวที บางทีทําเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเรามีความ เขาโล่งของโกรธดูพอดูแล้วเราอยากจะโชว์เต็มอะไรก็ สมัยนั้นนึกได้ทางขึ้นเข้าไปใหม่เป็นเค้าเปลือกเบิด ลึกไปเลยรถอะไรลึกไปได้เลยเอ้ยพอไปไปนํารถไปแล้วก็ลึกไปไม่ดีก็ยกแกะแยกไป 6 กิโลยอดก็ไม่ เกิดมันระบบนั่นเองคนมีสติก็เหมือนกันมันเลิกได้ก็ไป เมื่อเราสวดเมื่อกี้ธรรมผู้มีสติเพ่งแต่ ชีวิตเราต้องมีเท่านี้ถูกต้องอังคือสุดเลยความรู้สึกตัวเราเออฝึกซ้อมปฏิบัติไปไม่ใช่คดคำเป็นอย่าง อะไรก็อาจารย์นั่นดีอาจารย์นี่ไม่ดีงูป่าๆตัวปฏิบัติ เพชรทั้งเช็ดทั้งเก้งอืมแก่ยังป๊าดบ่มันก็คืนเห็นบ่ไอ้แก้วอืมแก่ยังป๊าด อะไรกันตามมันเขียนในเวปส่วนตัวมันมาได้ผู้ธรรมผู้มีเปรียนมีสติเพ่งอยู่อ้อมทําไสเกิดขึ้นไม่ เนี่ยลมอ้อยลมไผมันม่วนก็ปากไปวันๆง่ายๆสังเกตง่ายๆนะ เป็นทั้งมรรคเป็นทั้งผลเป็นทั้งญาณเป็นทั้งฌานปะโล้ตัวๆเนาะอ่าสูงสุดมีสติได้อย่างใดอยู่ฌานอันสูงสุดมี พระเมธาบุญเอยเจ้าเข้าฌานตอนใกล้กับปรินิพพานมีพระอนุลุทธะเท่านั้นที่รู้จักวาระของพระพุทธเจ้าสงฆ์ฌานทุติยฌานปฏิยฌานจตุตถฌานปัญจมฌานพระอนุลุทธะก็ ตราบใดมันมีสติแล้วแลอยู่ก็จบลงที่ตรงนั้นนั่นการ มาถึงแล้วโอ้ต้องผ่านอ่าอะไรเนาะตระโอเลยปากช่องเสเขียวด่านคล อ่าไม่ไขถามไม่ต้องสงสัยเอ่อท่าน วิกรรมมาปฏิบัติอัตถิเจตนานี้ต่อไปลงทุกข์ไปลงทุกข์นะไปลงอารมณ์ไปเป็น เลยลืมปลอกความคิดไปเอาแต่สุกโอ้คิดอะไรก็คิดโต ถ้าไปไม่ต้องเป็นผู้รู้เห็นมันรู้นะเห็นมันรู้นะพอเห็นมันรู้เห็นมันสุกทั้งนั้นมีสติเนี่ยไม่ ไปตาพอได้เจอมรรคก็ไปเรื่อยๆมันก็ แทนความสุขเราได้บรรทุกกับพอมีสติสัมปชัญญะไปแทนความทุกข์นั่นแหละแทนที่จะโดนหลงมันใช่ตาดความรู้ตัวใช้เป็นสากล 84,000 เรื่องในชีวิตเราเรื่องกายเรื่องใจมีสติทั้งนั้นมีสติทั้งนั้นมีสติทั้ง เหตุผลไม่ใช่สัจธรรมคนฆ่ากันตายก็เพราะเหตุเพราะผลๆง่ายๆที่สึกตัวรู้ เมื่อยช้าอะไรนะได้แล้วพอ เพราะควรรู้ตัวไม่ต้องมีแนวร่วมอะไรไว้ไว้อัปทันเทวะเข้าถึงรูปกายรู้ใจรู้ทุกอย่าง มีจารวั่สเต่ามันก็ประวัติเขายังบอกว่าพอรู้สึกตัวเนี่ย แต่แก่นสุขก็คือพระหันมีสติกำหน้ารอบคันวัยมัน แล้วเมื่อมันรู้สึกตัวเราโอ๊ยแต่ว่าบางคมขืนให้หลงมันก็ไปเอาเพราะ ถ้ามันทําดีสบายเลยถ้ามันทําชั่วต้องเปลี่ยนเป็นความดีเรียกว่าปฏินะปฏิ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 ไม่มีใครไปเป็นความโล่งไม่มีใครไปเป็นความทุกข์เปลี่ยนได้หรือว่าปฏิบัตินักปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นเปลี่ยนร้ายไป ความรู้สึกตัวมาไว้กําลังจะ อกุเวนิสัยมีค่ามากความเป็นแย่ก็มีค่าห่อใจความทุกข์ก็มีค่าห่อใจเป็นแย่เป็นเอาเปรียบเป็นยึดมั่น จริงๆๆเป็นสุขเป็น เป็นว่าปัจจตังเวทิตะภูมิยุตตินี่คือพระมาๆเพราะต้องไป รับเรกรตะหน่อยตามตามความรับผิดชอบหมู่เมต ถ้าไม่รู้ไม่เห็นทําเราจะไม่ขอนั่งเป็นครั้งสุดท้าย ขอนอนเรื่องสุดท้ายฉันนั่งไม่ได้ไม่ลุกตอนไหนล่ะฮะ อธิษฐานนั้นจะนอนเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ตอนไหนฮะตอนไหนครับตอนปรินิพพานบอกพระ คำพ่อก็เป็นดวงประเทศอินเดียก็ แม้ว่าเขามีศาสนาปฏิบัติมากมายแต่เขายังลบ เรามาทําไมตรวจสอบ 15 มัน Wacka to, wacka vacka, tambo, ta man namad.